วันนี้เป็นวันแรกของการเข้าพรรษาญาติโยมหลายท่านก็ถือโอกาสมาทำบุญนะเป็นการประเดิมวันเข้าพรรษาก็เป็นสิริมงคลนะสำหรับพวกเราอันนี้เมื่อมาที่วัดแล้วนะนอกจากมาทำบุญถวายทานถวายไตรยธรรมแล้วเนี่ย แล้วก็รวมทั้งนอกจากฟังธ ร, รมแล้วนะก็อยากชวนพวกเราให้ภาวนาด้วยเวลาพูดถึงภาวนานะหรือว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนมักจะพูดว่าไม่มีเวลาจริงถ้ามีเวลาม า, าใส่บาตรมาทำบุญถวายทานที่วัดนะก็มีเวลานะที่จะ ปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนาเหมือนกันหรือถึงแม้จะไม่มีเวลามาวัดทมบุญถวายทานเราก็ยังมีเวลาทำอะไรหลายอย่างมีเวลากินข้าวไหมถ้ามีเวลากินข้าวนั่นแหละภาวนาได้ละภาวนาด้วยการเจริญสตินะ เราสามารถที่จะเตริญสติได้ในทุกอิเลียบทในทุกกิจกรรมทุกเวลาหรือกวาดายกเว้นเวลานอนนะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ว่าทำอะไรเนี่ยเราก็ภาวนาได้นะโดยทำให้สิ่งที่เราทำานเนี่ยมันเป็นการเตรินสติหมายความว่าเวลาทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กันเนื้อกับตัวหรือพูดง่ายคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะ เวลาทําอะไรไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าอาบน้าถูฟันนะเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะทำทีละ อ, อย่างนะอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันนะทําหลายอย่างพร้อมกันก็เช่นถูฟันไปอาบน้ำไปก็คิดนะว่าจะทําอะไรต่อไปข้างหน้านะจะทําอะไรให้ลูกกินนะหรือว่าจะไปประชุมเช้านี้เนี่ยจะเอาประเด็นอะไรมาพูดนะ นี่เรียกว่าทำสองอย่างนะในเวลาเดียวกันนะถ้าต้องการฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยนะการเจริญสติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ดีมากแล้วเราก็ทําได้นะทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนก็อย่าเพิ่งไปนึกอะไรอย่าเพิ่งไปคิดอะไรใจอยู่กับการเก็บที่นอนนะไม่ใช่เก็บไปใจก็คิดแล้ะเดี๋ยวจะไปเปิดโทรศัพท์มือถือนะเดี๋ยวจะส่งข้อความไปนะถึงเพื่อน เดี๋ยวจะทักทายจะสติ๊กเกอร์อะไรนะอรุณสวัสดิ์หรือไฮหรือ g มอร์นิ่งเนี่ยไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเราตื่นเช้าขึ้นมาอย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือโทรศัพท์มือถือข้อความทางไลน์ทางเฟซบุ๊กวางาไว้ก่อนนะใจก็อยู่กับสิ่งที่กํากำลังทำเฉพาะหน้าเรามีเวลาอาบน้ำเรามีเวลาถูฟันเราก็ต้องมีเวลาภาวนารวมทั้งเรามีเวลากินข้าว เราก็มีเวลาภาวนาเวลากินข้าวเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่ไปตักอาหารเนี่ยเห็นอาหารมันอร่อยนะก็ให้มีสติรู้ตัวว่าใจเนี่ยมันกำลังลอยใจมันกำลังเคลิม้มเพียงแค่เห็นภาพหรือรูปนะกระทบตานี่นะความอยากมันเกิดขึ้นแล้วอ่าเห็นมันเห็นความอยากนะแล้วเวลาตักเนี่ยนะอยากจะตักมากนะอ่าก็เห็น นะความอยากนั้นนึกถึงคนอื่นที่ตามมาข้างหลังนะว่าเขาควรจะได้กินเหมือนเราด้วยเราก็ตักแต่พอประมาณนะการที่เราตักนะพอประมาณเนี่ยมันก็เป็นการภาวนาแบบหนึ่งนะมันทั้งฝึกให้เรารู้เห็นรู้ทันความอยากที่เกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมนะกาย นะไม่ให้ทำตามความอยากนะพอตักอาหารเสร็จมานั่งนะ เ, เราก็มีสติอยู่กับการตามลมหายใจหรือการคลึงนิ้วมือนะนี่ภาวนาแล้วไม่ต้องหงุดหงิดนะว่าคอยนานอย่าปล่อยให้การคอยเนี่ยแล้นะมันมาสร้างความหงุดหิดให้กับจิตใจคนเดี๋นี้งุดหิดได้ง่ายนะเพราะว่าต้องคอย หลายอย่างนะคอยนั่นคอยนี่คอยเพื่อนนะเพื่อนไม่มาตามนับสักทีหรือว่าคอยไฟแดงให้มันเปนเป็นไฟเขียวคนสมัยนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยใจร้อนทำอะไรเร็วๆการคอยกลาเป็นเรื่องยากพอคอยแล้วก็ตามกลายเป็นความหมุดหงิดนะแทนที่จะเสียเวลายอย่างเดียวนะก็เสียอารมณ์ด้วยนะด้ยเพราะรถติดเนี่ยนะหลายคนเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้เสียแค่อย่างเดียวคือเสียเวลา กลับปล่อยให้เสียอารมณ์นะเสียความสุขนะเสียสติง่ายง่ายไม่ต้องคอยนะอย่าไปถือเป็นการคอยแต่ถือว่าขนาดที่เราร อ, อพระหรือว่ารอเพื่อนมาพร้อมกันนะเพื่อที่ได้กินพร้อมๆกันเนี่ยเราก็เจริญสติไปด้วยและเมื่อถึงเวลาฉันเวลากินนะเราก็มีสติรู้ตัวอยู่กับการกิน สังเกตไหมเวลาใจใเวลากินนีนใจมันคิดโน่นคิดนี่ยิ่งอาหารอร่อยใจมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เลยนะดึงจิตกลับมานะรับรู้อยู่อาการกินอร่อยก็รู้ว่าอร่อยนะไม่ใช่เคริม้มหลงไหลเพลินไปกับมันนะถ้าเป็นอย่างนี้เรียกว่าเพลินในสุขละนะอย่างที่พูดเมื่อวานอันนี้ก็เป็นความสุดตรองอย่างหนึง่งพอเพลินในสุขนะเวลาเจอทุกข์มันก็จมไปในทุกข์ได้ง่ายเจออาหารไม่ถูกใจนะ ก็บ่นโวยวายนะบางทีอาหารมันก็อร่อยนะแต่ว่ามันอร่อยไม่ถึงไม่เท่ากับที่เราคาดหวังนะเราก็เกิดความไม่พอใจขึ้นนะก็เห็นความไม่พอใจนั้นนะไม่ต้องไปบังคับให้มันนะนิ่งให้มันเป็นปกติอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้พอใจก็รู้นะไม่พอใจก็รู้อันนี้ก็เจริญสติแล้วเวลาเจออาหารอร่อยก็ อ, อย่ารีดเคี้ยวนะ ค่อยๆ เ, เคี้ยวบางคนเนี่ยระหว่างที่กินเนี่ยนะใจก็นึกถึงงานแล้วอยู่วัดอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่พออยู่ที่บ้านเนี่ยหรืออยู่ที่ทํางานใจมันคิดถึงเรื่องงานพอคิดถึงเรื่องงานก็จะรีบเคี้ยวเคี้ยวเคียวเคียเค้ยวนะไม่มีสติที่จริงการเคี้ยวข้าให้ช้าลงเนี่ยนะมันก็เป็นภาวนาได้นะแล้วก็มีอันที่ส่งมากเลยนี่ผู้หญิงคนหนึ่งน ะ, ะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้หญิงเก่งเนีย ทำอะไรต่ออะไรมากมายจนเครียดนะความสัมพันธ์กับลูกความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม ง, งานหรือลูกน้องก็ไม่ค่อยดีเพราะความเครียดนะเพราะความใจร้อนจนกระทั่งเกิดปัญหาชีวิตขึ้นมานะแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจไปเข้าคอร์สของเพื่อนธรมานะชื่อสุรเชษเวิชัพิทักษ์เนี่ยเขาทำมหาวิทยาลัยชีวิตนะไม่ทราบตอนนี้มีอยู่หรือเปล่า แล้วก็มีคอร์สหนึ่งนะเขาให้ทำกิจกรรมเพื่อมารู้จักตัวเองนะแล้วก็เกิดความตั้งใจมุ่งมาที่จะแก้ไขจุดอ่อนจุดบุกพร่องตับุกพร่องอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้แกเห็นก็คือว่าแกเป็นคนที่กินอะไรกินเร็วมากนะโดยเพราะอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเย็น็กจะเคี้ยวเร็วมากเลยเพราะว่ามีงานเยอะนะ เวลากินอาหารก็นึกถึงงานที่รออยู่เดี๋ยวต้องไปประชุมนะเดี๋ยวต้องไปสั่งงานลูกน้องนะก็รีบกินรีบ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เ, เคี้ยวคราวนี้พอจะเห็นจุดอ่อนตรงนี้ที่จริงจุดอ่อนมีเยอะนะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยให้เอาที่มันพอจะแก้ไขได้แล้วก็ทําโครงงานนะแก้ไขนิสัยนี้แกก็เลยตกลงว่าเนี่ยสามเดือนนี้แกทําโครงงานชื่อว่าเคี้ยวข้าวให้ช้าลงแค่นี้แหละนะ แล้วก็ทุกวันอาทิตย์นี่ก็ต้องไปรายงานความคืบหน้ามีการจดบันทึกด้วยนะว่ามีความคืบหน้าอย่างอะไรบ้างได้เรลลืรู้อะไรอุปสรรคคืออะไรไปรายงานหน้านชั้นเพราะฉันเนี่ยคิดอย่างเดียวไม่พอตั้งใจงอย่างเดียวไม่พอต้องทําต่อเนื่องแล้วแกก็พบความเปลี่ยนแปลงนะคือพอเคี่ยวให้ช้าลงเนี่ยนะอย่างแรกที่รู้สึกคือข้าวนี่มีรสอร่อยนะมีรสหวานแต่ก่อนเคี่ยวนี่ไม่รู้จักรสข้าวเลยนะ เด็กๆเนี่ยรู้จักรถข้าวไหมว่ามันมีรสยังไงเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรับรู้รถของข้าวแล้วเพราะเราเคี้วเร็วนะและพอพอพอปฏิบัติไป น, นานๆนะปรากฏว่าโรคที่เคยเป็นเนี่ยเป็นมาสิกว่าปีแล้วโรคปวดท้องและหายใจไม่ทั่วท้องหรือหายใจไม่ทันเนี่ยนะมันหายไปเลยนะโรคนี้กินเป็นมาหลายปีแล้วกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย เนะพราะโรคแบบนี้มันไม่ได้แก้ที่ยามันแก้มันต้องแก้ที่พฤติกรรมหรือนิสัยพอเคลียร์ไข้ช้าลงเนี่ยโรคปวดท้องโรคหายใจไม่ทันหายไปเลยแต่ก่อนหน้านั้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าพอใช้เวลาอยู่บนโต๊ะอาหารนะให้นานกว่าเดิมแต่ก่อนห้านาทีก็ไปแล้วกินข้าวเสร็จอยู่บนโต๊ะอาหารแค่ห้านาทีก็ไปแต่พอเคลียร์ไข้ช้าลงเนี่ยก็อยู่บนโต๊ะ นานขึ้นจากห้านาทีเป็น0ิบนาทีก็เริ่มสนใจคนที่กินอาหารร่วมโต๊ะก็คือลูกนะก็เริ่มมีการพูดคุยทักทายลูกแต่ก่อนไม่ทักทายเลยนะยื่นเลกกินแล้วก็ไปไม่สนใจด้วยว่าใครนั่งโต๊ะด้วยแต่พอนี้ตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มทักทายลูกชายนะเริ่มโอภาปาศสาทํานี้ทุกๆวันเนี่ยความสมัมพันธ์กับลูกก็ดีขึ้นนะและต่อไปเนี่ยนะ พอเคียวคายช้าลงนะเวลาใจมันจะคิดถึงเรื่องงานก็วางใจคิดถึงเรื่องงานก็วางนะก็เริ่มใจเย็นขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่ใจร้อนชอบต่อว่าลูกน้องสั่งลูกเดียวเลยนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้องมากขึ้นเพราะใจเย็นนะใจเย็นลงนะตอนหลังก็เริ่มไว้ใจลูกน้องก็โอนงานให้ลูกน้องทํา งานบางอย่างก็โอนให้ลูกชายทำเพราะความสัมพันธ์กับลูกชายดีขึ้นไว้วางใจลูกนะมันก็ทำให้กล้าที่จะมอบความรับผิดชอบให้แก่ลูกทั้งลูกชายแล้วก็ลูกน้องก็กลายเป็นว่างานเบาลงเครียดน้อยลงและมีเวลามากขึ้นก็เลยนึกถึงพ่อนะนึกถึงแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะพ่อแม่ก็เคยถามว่าเมื่อไหรจะมาเยี่ยมสักที เธอก็ชอบตอบว่าไม่มีเวลาแต่คนนี้มีเวลาแล้วหนึ่งนะมีเวลาก็เลยไปเยี่ยมพ่อแม่เสร็จแล้วก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวมีเวลาพาท <t> ่านไปเที่ยวบ้างแล้ะแล้วก็ถี <t> ขถ่ขึ้นถี่ขึ้นกลายเป็นว่าความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ดีขึ้นนะพอความสัมพันธ์กับลูกดีขึ้นความสัมพันกับพ่อแม่ดีขึ้นนะงานการเบาลงพรากระจายให้ลูกน้องนะความเครียดความวิตกกั ง, งก็น้อยลงมีความสุขมากขึ้น แล้วเธอก็เลยพบว่าโอ้ความสุขที่จริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะไม่ต้องไปเที่ยวห้างไม่ต้องไปกินอาหารราคาแพงแพงหรือว่าไปซื้อของรู้ของดังนะแบรนด์เนมชื่อดังก็ได้ความสุขมันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากการที่เคี้ยวค้ายช้าลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูมันเป็นเล็กน้อยนะแต่ว่าอย่าประมาทสิ่งที่เล็กน้อยนะพูดไปแล้วเมื่อเช้าตอนหลังทําวัดว่า ความดีแมเพียงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเราทำํำบ่อยๆทําทุกวันนะมันก็ยิ่เกิดความเปลี่ยนแปลงนะที่มากมายอย่างที่เรานึกไม่ถึงเพราะว่าพอเราทําความดีเนี่ยถ้าเราทําทุกวันเนี่ยนิใสัยใหม่มันจะเกิดขึ้นนะนิสัยเก่ามันก็จะค่อยๆสลายหายไปและนิสัยใหม่เนี่ยหนึ่งยามันก็นำไปสูน่นิสัยใหม่อันที่สองนิสัยใหม่อันที่สามก็เกิดขึ้นนิสัยใหม่อันที่สี่ก็ตามมานะเรียวมาเป็นข บ, บวนเลยนะ อันนี้มันเป็นมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะที่เราทําเป็นประจำนะจนกลายเป็นวิสัยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะใครจะอธิษฐานพรรษาเนี่ยทำสิ่งดีๆตลอด3มเดือนก็ลองทำพวกเนี้นะไม่ต้องไม่ต้องทำใหญ่โตนะหรือยากก็ได้ทำง่ายๆที่มันเป็นจุดอ่อนของเรานะและทําให้เป็นรูปธรรมนะมันก็จะกลายเป็นเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นได้อันนี้ก็เป็นภาวนานะเห็นไหม การภาวนาเกิดขึ้นได้ในหลองที่เรากินอาหาร้คําว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยนะมันแปลว่าหนึ่งไม่เข้าใจภาวนาสองเป็นข้ออ้างนะเป็นข้ออ้างของกิเลสนะแต่ถ้าเรานะรู้ทันกิเลสแล้วเราเข้าใจเรื่องภาวนานะเราก็สามารถที่จะภาวนาได้ในทุกที่ทุกเวลา เราจะมีเวลาภาวนานได้มากขึ้นแนมะ้จะไม่ได้มาวัดหรือมาเข้าคอร์สยก็าตามเอาละเตรียมรับพรนะ